ก็คือกรรมวัดวิปากวัดกิเล ส, สวัสดเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรดับเพื่อประโยชน์แก่การเข้าไปสงบกิเลสตอนนี้กิเลสถูกสงบไหมเวลาเราเวลาเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยสภาพกิเลสมันสงบลงบ้างไหมโยหรือหรือสติต่างหากมันถูกกิเลสข่มตรงนี้ดูอย่างนี้นะว่าถ้าการเจริญกุศลเนี่ยสภาพสติเนี่ยจะถูกจะมีกําลังเพื่อประโยชน์แก่การเข้าไปสงบระงับกิเลสเพื่อประโยชน์แก่การยกขึ้นสู่ไตรลักษ มีความไม่เที่ยงเป็นต้นเห็นไหมว่าที่สุดจริงๆก็คือว่าเมื่อจิตสงบปราศจากนิวรณ์ธรรมทั้งหลายมีการมาฉันทาเป็นต้นเหล่านี้ยน่ะเข้าท่านจะยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เพื่อมาวิจัยใหม่ๆใหม่ๆทำจิตให้แข็งแรงด้วยกุศลก่อนเมื่อกุศลนั้นเกิดในใจแข็งแรงเบ็ดเสร็จอ่ อ, อนควรต่อการงานเบ็ดเสร็จแล้วน่ะเขาก็ยกย ก, ยกสภาวะธรรมทั้งหลายสู่ตรลักษณ์วิจัยเลยเยนี้เนอะ วิจัยความไม่เที่ยงเป็นทุก์เป็นอนัตตาความไม่งามนักเข้านะกเข้าก็ทายถอนแล้วก็ละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดที่สุดจริงๆเพื่อเป้าหมายในการละแบบสมุดเฉธาปรหารนั่นเองเป้าหมายคืออย่างนั้นอันนี้ต่อรายละเอียดก็ค่อนข้างยากนี่ค่ะแล้วเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยข้อมูลที่เราได้รับการอบรมมาแนะนำมาต้องมีคำบริกรรมบ้าง เราใช้คาบริกรรมอย่างนั้นได้ไหมและเมื่อใช้บริกรรมแล้วบางครั้งผู้ปฏิบัติก็จะมีปฏิกิริยาการที่เขาจะเรียกว่ า, าปฏิบัติไปนะ่าเห็นแสงเกิดขึ้นตัวหายไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยแท้ จ, จริงแล้วเนี่ยมันใช่ข้อปฏิบัติไหมแล้วที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาควรที่จะทำยังไงบริกรรมมามาก็ไม่รู้บริกรรมยังไงก็ถ้าบริกรรม ก, ก็มีเน่บริกรรม บริกรรมภาวนาอุปจารภาวนาอัปนาภาวนาหรือบริกรรมสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิในกรรมฐานนี่มีนะียบริกรรมคำว่า <c oughs> บริกรรมนี่มีอยู่แต่บริกรรมที่ไม่ชีถามเอามาไม่ทราบว่าบริกรรมอะไรก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องถามให้ชัดเลยอย่างเออช่นมีลมหายใจเข้าก็ให้นึกถึงคำหนึง่งเช่นคําว่า<อ>พุทธแล้วเมื่อหายใจออกอก็ให้นึกถึงคำหนึ่งว่าโทนี่ยค่ะเพรอย่างไ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 อาณาปานาสติสมาธิในคัมภีรวิสุทธิมรรคทั้งภาคอัตกถาและดีกาขยายไวชย้ชัดเจนมากๆหรือในอาณาปานาสติสูตรอีกหลายที่หรือในกายะคาตาสติสูตรแม้ในคัมภี์สติปัฏฐานสูตรก็สอนในเรื่องของอาณาปานาบับเขาไว้เป็นบับแรกเลยเป็นหมวดแรกในการเจริญแล้วก็ไปขยายไว้ในคัมภีรวิสุทธิมรรคทั้งอัตกถาและดีกาแล้วก็ยังไปขยายไว้ในพระวินัยวบีโดกเกี่ยวในเรื่องของอาณาปานาสติสมาธิ ทั้งพุทธพจน์ด้วยทั้งอัตถกถาก็แสดงไว้และในสารถทีปณีดีกาพระอิ น, นัยก็ยังขยายไว้อีกฉะนั้นอนาปนาสติเนี่ยเป็นการสอนที่ชัดเจนมากๆแต่เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพระโดยส่วนใหญ่เพราะเป็นกรรมฐานต้องหลีกเล่นให้สังเกตโดยจะใช้คำว่าอรัญญคโตวารุขมูรคโตวาสุญญาคารคโตวาแปลว่าอะไรเนี่ยนะอยู่โคนม้อยู่ยเรือนว่างแล้วก็เข้าหลีกเล่นเนี่ย ห่างไกลจากหมู่บ้างทีนี้จะถามว่าชีวิตค า, ารวัตจริงๆเหมาะไหมเพราะอานาปานะเนี่ยมีเสียงเป็นค่าสึกเน่ยมีเสียงเป็นค่าสึกเนี่ยมาถึงไม่ค่อยอยากนําเสนอไงว่าจริงๆกรรมฐานที่ไม่เหมาะสมกับค า, ารวัตก็ยังพยายามผลักดันให้ค า, ารวัตซึ่งยังต้องบริโภคอยู่เกี่ยวข้องกรรมคุณมาเล่นกันอยู่เนี่ยได้พอเป็นน้ําจิ้มนะได้เอามาทดลองได้เอามาทําได้พอเป็นอัธยาศัยพอเข้าใจเนี่ยได้อยู่ไม่ใช่ไม่ได้เนะ่ ไม่ใช่ห่วงหรอกแต่เป็นกรรมฐานเหมาะสมเก็บภิกษุหรือกลุ่มผู้หลีกเล่นจริงๆเพราะมีเสียงเป็นค่าศึกและหลุดง่ายเพราะสมาธิตั้งแล้วเนี่ยเจออะไรรบกวนหน่อยก็หลุดแล้วนะแต่จริงๆก็ได้นะคารวะถ้าต้องการหลีกเล้นเนี่ยออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเนี่ยทำได้สะดวกแต่ว่าโดยมากไม่ค่อยอยากนำเสนอแต่ว่าถ้าถามทีนี้ว่าถ้ากําหนดแล้วบริกรรมจกบริกรรมพุโทโธจะบริกรรมคําว่าธรรมโมจะบริกรรมคําว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ ใส่คําบริกรรมไปเนี่ยอามาไม่อยากให้ทํามันจะเป็นสองกรรมฐานถ้าพดโทเนี่ยจะเดินเป็นพุทธานุสติดูลมหายใจเข้าออกจะเป็นอาณาปานสติกรรมฐานนี่อยู่คนละหมวดกันไงอามาไม่อยากให้เอาสองหมวดมารวมกันแล้วมาเดินพร้อมๆกันเนี่ยเดี๋ยวใจจะสับสนเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมจะบริหารพร้อมกันทั้งสองกรรมฐานเลยเนี่ยอย่างนเนี้ยนะกว่าจะมีประเด็นตรงนั้นขึ้นมาแต่ถ้าจะเป็นอุบายนะสมมุติ ว่าจะเป็นอุบายอะ่ะก็ต้องไปถามท่านผู้ที่กำลังทำเนะี่ยว่าตอนนั้นเนี่ยใจคิดถึงอะไรจะคิดถึงพุทธคุณหรือจะคิดที่ลมอาจจะคิดถึงพุทธคุณหรือคิดที่ลมถ้าจะคิดที่ิดที่ลมก็เอาลมอย่างเดียวได้ไหมก็ลองนำเสนอเขาดูนะแต่เขาบอกไม่ได้ก็จะยืนยันจะเอาพุโทโธอยู่ด้วยเพราะแต่จริงๆจะดูลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นก็ไม่ว่ากัน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 ในในกรณีการกําหนดเนี่ยท่านในยะของอัตกถานี่เดี๋ยวยาวเลยคำตอบเรื่องนี้ทนะ่านมีการสอนบอกว่าธัญไามายะา ก, ากขนานาในาการนับลมหายใจเข้าลมหายใจออกประดุดเหมือนคนตวงข้าวกับโคปาละกากขนานาในาในที่สองการนับเร็วเหมือนกับคนต้อนโคออกจากครอบใช่ไหมท่านในยะแรกนั้นท่านนับนับลม เ, ออเหมือนุ คนตวงข้าวยมก็เห็นคนตวงข้าวไหมฮนะถ้าพดเห็นตวงข้าวไหมนเนี่ยยออาจจะโบโราณนะไม่ใช่ปัจจุบันนี่นะโบราณเวลามีเขาไปซื้อข้าวกันเนี่ยไปที่ไปที่ทุ่งนาเนี่ยเขาก็จะมีรถบรรทุกเขาไปจอดพขาไปจอดเบรเสร็จเขาจะมีถังก็จะมีที่ตวงข้าวนี่นะเขาจะตักข้าวมีคนหนึ่งก็คอยเอาถังที่ที่วัดน่ยว่าประมาณ20ลิตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะพอเทใส่ไปในถังก็จะมีไอ้ตัวไม้นะไม้อะไรนะ นี่แหละปาดหน้าหน้าถังให้ให้แล้วก็ใช้ไม้ติ้วอะไรก็เนี่ยปักปุ๊บก็ไว้เขาจะนับหนึ่งแล้วคนที่รับถังไปนี่จะเอาข้าวขึ้นรถก็นับซ้อนเหมือนกันจับไปจับไม้เติ้วมาก็จะนับหนึ่งเหมือนกันในกรณีอย่างนี้หนึ่งหนึ่งนั่นเองลักษณะอย่างนี้ก็คือนับหายใจเข้านับหนึ่งนะฮออกหนึ่งเนี่ยนะแต่บางแห่งเขาจะซ้อนกันหนึ่งหนึ่งออกเข้าหนึ่งหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งแต่บางแห่งก็ใช้คําว่าหนึ่ง เข้าหนึ่งออกหนึ่งแล้วก็เข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้านี่นะนี่ครบชุดแล้วนะแต่มานับใหม่เข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองไปถึงหกแล้วก็ไปถึงเจ็ดไปถึงแปดไล่ไปจะถึงเก้าถึงสิบแล้วก็กลับมาหนึ่งถึงห้าใหม่อย่างนี้เป็นต้นไลเนไเ่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสิบอย่างนี้เขาเรียกว่า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 ทีนี้ต่อมานับเร็วเขาเรียกโคปาละกาขน า, านในานับเร็วเลยหายใจเข้าก็หนึ่งสสามี่ห้าไปเลยออกก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นไปตามลาดับเลยไปจนถึง10บไล่ขึ้นเป็นชุดขึ้นเหมือนกันนับเร็วเพราะตอนนี้สติแข็งแรงแล้วนับไปขนาดไหนนับไปจนว่าสติคล่องแล้วไม่ต้องนับแล้วมันหลุดไปได้แล้วไม่ต้องอาศัยการนับจิต สติก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ดูกระทบไม่ต้องนับเลยนี่กลุ่มที่ยอมถามม า, มาเมื่อสักครู่นี้คือกลุ่มที่แข็งแรงทางด้านสติดีแล้วไม่หลุดไม่เผลอเลยแล้วทําแล้วได้ผลจริงๆนะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องอาศัยกนันนะเนี่ยถ้าจะพูดถึงในด้านของด้านคัมภีร์ทั้ง พ, ะพระพุทธพจน์ทั้งอัตถกถาทั้งดีกาจามหรือแม้โยชนาเองก็สอนอยู่ในมุมเหล่านี้ เท่าที่ตรวจสอบดูตามสติปัญญาที่เข้าดูได้นี่นะสอนแบบนี้วิธีกดําเนินก็ดําเนินกันอย่างนี้แต่ต้องหลีกเล้นยังไงก็ต้องหลีกเล้นอนาบนานะถ้าไม่หลีกเล้นจากหมู่จากคณะการเดินลําบากเพราะจะหลุดได้ง่ายยิ่งมาทําได้เข้าทางเข้าทางแล้วพอมาเกี่ยวข้องกับฝูงชนนิดเดียวกลับไปทําอย่างเก่าหลุดหายไปซะอีกแล้วจะเป็นอย่างนั้นในฐานะของคารวาะนะคะควรเจริญสติอย่างไร เพื่อเป็นการไปสู่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนื่องจากสังคมปัจจุบันไม่เอื้อในการเจริญสติเอาในคําสอนเลยนะในเรื่องของกรรมฐานนั้นพระผู้วิพากเจ้าตรัตกรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์เป็นต้นดังกล่าวนี้อันนี้แปลว่าพุทธานุสติธรรมานุสติพอจะเข้าใจคร่าวๆกันนะสังคาศีลาจาคาคือมีศีลานุสติแล้วก็จาคานุสติแต่และอย่างต่ละอย่างด้วยเปรียบเสมือนพ่อค้าเชื่อวิท กตะกะเป็นต้นโฆษณาเป็นต้นตามลำดับทีนี้ก็ไล่ไปตามลำดับทําไมพระพุทธเจา้าถึงบอกอานิสงส์บอกอานิสงส์7็ประการการเจริญอนุสติเหล่านี้ในอานิสงส์7ประการที่บอกเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวใช่ไหมหนายในที่นั้นคือหน่ายจากวัตะทั้งหลายเป็นต้นด้วยเพื่อคลายกําหนัดคือคลายราคาโทสะโมหะเพื่อดับนิโรธายะเพื่อดับคือดับราคาโทสะโมหะแล้วก็ดับวัตะด้วย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 ก็คือการเจริญสติปัฏฐานที่เหมาะกับคารวะที่เอามานาเสนอที่เหมาะเพราะท่านสอนบอกว่าคณะภิกษุเจริญกรรมฐานท่านบอกว่าถ้าไปเจริญกรรมฐานอื่นๆเช่นเช่นถ้าไปเจริญกายะตาสติหรือเจริญอสุภะกรรมฐานน่จิตเจรเอือมละอาเอาบางคนเป็นไหมเมื่อกี้ถ้าขึ้นภาพที่ไม่งามเนี่ยนลองขึ้นภาพเมื่อสักครู่ดูนะ ภาพที่เป็นภาพที่คนพิการนะ น, นะที่มีแต่หัวถ้าดูอย่างเงี้ยอย่างนี้เอื่มละอาไหมถ้าอย่างเี้จะเอื่มละอาเพราะถ้าดูแล้วเบสร็จนี่นะถ้าให้พระดูสักแ ป, ป๊บเดียวหรือว่าคารวะ ด, ดูแ ป, ป๊บเดียวเนี่ยจิตก็จะบางทีเบื่อแล้วเบื่อในที่นั้นไม่ใช่เบื่อที่เป็นไปกับกุศลนะเบื่อแบบโทสะเบื่อไม่อยากมองใช่ไหมอย่างเงี้ยภาพอย่างนี้อยากมองไหมถามว่าอยากจะเอาไปเป็นภาพ ฝาผนังติดบ้านไหมอย่างนี้อยากไหมเนี่ยจะเอือมและอาอย่างเนี้ยพระเจ้าก็เลยบอกว่าบางท่านไม่เหมาะถามว่าถ้าตอนมีชีวิตอยู่ใครเอาเท้าเหยียบหัวเราอย่างนั้นโกรธไหมโกรธไม่โกรธยัมวัดโกรธไหมโกรธถ้าตอนนี้โกรธไหมไม่ใช่ถ้าหากว่าตอนมีชีวิตอยู่โกรธไหมเอาก็ฟังธรรมะมาตั้งนานยังโกรธหรือจริงๆถ้าฟังธรรมะมาแล้วก็น่าจะจริงๆคิดว่าการฟังธรรมะมีผลแห่งการละเรื่องเหล่านี้ได้บ้างไหมได้ใช่ไหม แต่อย่างนี้เกินไปไหมเกินไปไหมในความคิดเราเกินแต่จริงๆไม่ได้เกินหรอกจริงๆเราไปคิดว่าเท้ากับหัวเนี่ยเท้ามันอยู่ต่ําเราไปคิดอย่างนั้นใช่ไหมเท้ามันอยู่ต่ําถ้ามองแสดงว่าหัวเนี่ยหัวนี่รังเกียจเท้าใช่ไหมอย่างเงี้ยถึงไม่อยากให้เท้าถูกอ่ะใช่ไหมเอ๊เราพ่อแม่บางคนเนี่ยพ่อแม่บางคนเนี่ยเวลาลูกเกิดใหม่ใรักลูกเนี่ยเอาลูกเหยียบบนหัวได้ไหมแล้วไม่รังเกียจหรือเท้าอย่างนั้นเน่ยทั้งก็เท้าเหมือนกันน่ะ เห็นไหมเนะี่ยพอพอลักแล้วทําอะไรก็ได้ใช่ไหมขออภัยในะบางคนเนี่ยลูกปัสสาวะลดหัวไม่เป็นไรนะหัวล้อชื่นใจถ้าคนอื่นเป็นปัสสาวะรดอย่างนั้นน่ะโอ้โหก็ลงก้นสารเลยบางคนฆ่ากันตายนะในในปัสสาวะลดหัวกันนี่ยแต่ถ้าลูกปัสสาวะลดหัวไม่เป็นไรเออไหมให้อภัยไว้เลยทีนี้ท่านทั้งบอกว่ากรรมฐานเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นกรรมฐานเดิมเมื่อกําลัง พิจารณากรรมฐานในลักษณะอย่างนั้นนะจิตใจก็อึดอัดพระพุทธเจ้าก็เสนอเรื่องพุทธานุสติถามบอกว่าบุคคลหรือใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะก็พิจารณาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นตัวเหล่นี้พิจารณาต่างๆเหล่านี้ก็เห็นคุณของพระพุทธเจ้าในขณะที่ระลึกเห็นคุณของพระพุทธเจ้าหรือระลึกจารานุสติหรือสีลานุสติก็แล้วแต่นี่นะที่เดินไปแล้วนะในส่วนจริงนั้นก็ทําให้จิตนั้นเริ่มเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาจิต เกิดปลาโมดเกิดปีติเกิดปสัสสติเกิดสุขโสมนัสแล้วก็จิตเป็นสมาธิทีนี้พอจิตเป็นสมาธิเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะจิตนั้นประกอบไปด้วยสติเท่านั้นที่ระลึกแล้วก็กําหนดรู้ว่าก็จิตนี้แล ว, ว่าโดยขันแล้วเห็นไหมท่านแยกแล้วหลังจากควรต่อการงานเบน็ดเสร็จนี้ท่านเริ่มมาแยกรูปธรรมานามธรรมาแล้วถามว่าจิตที่ไประลึกนั้นนะจิตนั้นว่าโดยสภาพของขันแล้วเป็นวิญ ญ, ญาณขันเป็นวิญญาณขัน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 แล้วก็เริ่มเห็นเหตุปัจจัยของรูปและนามเหล่านั้นว่าเพราะอาวิชาตัษยากรรมเป็นต้นอะไรเนี่ยเริ่มเห็นปัจจัยยกขึ้นสู่ไตรลกกักษณ์เขพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เขาบรรลุไปในมุมแบบเนี้ยในการปฏิบัติเขาบรรลุเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาจากอนุสตินั่นแหละแต่ก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้ด้วยการแยกสภาพจิตได้เมื่อจิตนั้นอ่อนควรต่อการงานอาทีพระอาจารย์ได้กําลังกรุณากล่าวถึงในแง่ของการพิจารณาโดยรูปนามนะคะ เท่าที่ฟังแล้วพอจะประมวลที่พระอาจารย์กรุณาแสดงมากว่าที่เราจะไปถึงขั้นถึงการพิจารณารูปและนามเนี่ยผู้ปฏิบัติใหม่หรือว่าผู้ที่กำลังของสติสมาธิปัญญายังไม่มากพอยังไม่เข้าในเรื่องของการเจริญรูปนามอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ถ้าหากในตอนนี้อย่าคิดแค่ไปแยกนามแยกรูปเลยตอนนี้ขนาดเดินทานกุศลให้แข็งแรงก็ยากกันแล้ว ศีลกุศลให้แข็งแรงก็ยากแล้วตอนนี้เป็นอย่างนั้นนะถ้ารู้จักตนเองอย่างนี้เสียเนี่ยจะได้ระดมเรื่องทานศีลเข้าสู่ภาวนาอย่างไรกรณีที่เกิดสภาวะรู้การเคลื่อนไหวของกายทั้งในขณะหลับและตื่นแล้วเกิดความกลัวจึงบังคับจิตไม่ให้รู้สภาวะนี้สภาวะนี้ก็คือการรู้การเคลื่อนไหวในกายนั่นนะคะสภาพจิตที่เคยเบิกบานผ่องใสเปลี่ยนเป็นอึดอัด ควรทําอย่างไรเพื่อแก้ไขอันนี้ไม่ทราบว่าเดินยังไงต้องให้เรือเท้าถามและตอบเป็นการส่วนตัวจะดีมากนะค่ะงั้นก็ถ้ายังไงก็เชิญคุยกับพระอาจารย์ถามเป็นงานส่วนตัวเพราะไม่อยากให้มีการบันทึกไว้น้องและมาต้องการจะถามว่ามุมตั้งแต่เดินมาเดือที่แรกเลเดินยังไงด้วยแต่ยิงถ้าจะตอบก็ตอบได้อย่างเงี้ยแต่ว่ารู้ทันทีว่าเป็นการเดินเดินความเข้าใจที่ที่ผิดพลาดมาเพราะกรรมฐานจะไม่มีการอุดอัดและขาดเกือน จะจะมีความสมภาพที่เป็นไปกับมากุสนสมนะอลองถามปัญหาให้ท่านหมหาหน้าตอบหน่อยดีไหมขอให้พระอาจารย์นำนาานะคะแนะนำการเจริญเจตนาทานเจตนาศีล น, นะคะที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้ได้เคยประพฤติปฏิบัตินะคะเพื่อว่าพวกเราเป็นนักศึกษาเนี่ยจะได้มีแนวทางในการที่จะไขครวรทำนะคะ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 คนปกติหรือเป็นคนปฏิบัติจะไม่ถูกแยกแล้วการศึกษานำเข้ามาปฏิบัตินำออกไปศึกษานำเข้ามาปฏิบัตินำออกไปจะไม่แยกแล้วนะว่าคนนี้ปฏิบัติคนนี้ไม่ปฏิบัติมันขับเน้นที่เจตนาในการนำออกไปใช้เจตนานำนออกไปใช้ดังนั้นรู้ข้อมูลอะไรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานำมาใช้ อ, ออกมาถ้าเกิดเป็นเรื่องทาน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 จำเป็นไหมก็บอกว่าจำเป็นแต่ไม่ใช่สถานที่เท่านั้นที่จะปฏิบัติเมื่อเราเข้ามาไว้ในใจแล้วเข้าตอนไหนก็ออกตอนนั้นเข้าตอนไหนออกตอนนั้นดังนั้นสัญญาที่เราเคยจดจำไว้ข้อมูลต่างๆที่เราเคยจดจำไว้นั่นแหละตั้งแต่เรียนมากี่ปีก็ตามก็เอามาใช้แล้วก็เอาออกไปปฏิบัติหรือในขณะปัจจุบันนี้นั่งฟังอยู่นี่แหละนั่งฟังอยู่นี่แหละข้อมูลที่ได้นี้ถูกจดจามาแล้วในอดีต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 นักปฏิบัติมือใหม่มือเก่าเนี่ยมันจะไม่มีคําพูดนี้แล้วเนาะก็คือเอามาใช้เลยลูกๆมาขอเงินแล้วก็ไหว่แม่ทื่ว่าเป็นการเจริญศีลแล้วนะลูกเป็นนักปฏิบัติมือใหม่ไหมหรือมือเก่าแม่ให้เงินลูกเป็นทานแล้วนะเป็นทานกุศลเกิดขึ้นแล้วที่อาตมาประพฤติปฏิบัติไม่อยากเรียกว่าประพฤติปฏิบัติเรียกว่าการใช้ชีวิต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 เรียกว่าทานขับเน้นที่เจตนาให้มากปรุงแต่งให้มากไม่ใช่ว่าไอตัววัตถุนั้นเป็นตัวให้ผลจะรวบรวมทรัพสมบัติมากมายทั่วจักรวาลนี้มาบูชาพระเจ้าการให้ในครั้งนั้นก็ไม่ได้ให้ผลวัตถุไม่ได้เป็นตัวให้ผลแต่เจตนาท้งหากน า, นางกีสาตะกีเนี่ยได้นำดอกบวบผมสามดอกหรือสี่ดอกเนี่ย เดินทางไปบูชาพระเจดีย์ซึ่งพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว